สัมมาสัมพุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุธะพธะทธังธรมามังสังฆังนมาซ่าม <S <S อาเช้านี้นะเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีเพราะพวกเราได้มาพร้อมใจกันมาทําความดีได้แก่การมา ถวายอาหารกับพระบำเพ็ญสังฆท า, านขุจาจัดว่าบุคคลประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นเป็นเลิกดีเป็นมงคลสว่างดีเป็นขณะดีถ้ามงคลเวลาที่เป็นมงคลหรือเลิกที่เป็นมงคลนะไม่ได้ดูที่ดวงดาวไม่ได้ดูที่ฟ้าดินอะไรที่ไหนดูตรงที่ว่า ช่วงเวลานั้นเราทำความดีหรือเปล่าถ้าช่วงเวลานั้นเราทำความดีนั่นก็เป็นเรื่องดีอย่างโยมม า, มาวันนี้เนี่ยมาก็มาทั้งให้ทานทานที่ว่าคือสังฆทานแล้วก็มารับศีลคือศีลห้าแล้วก็มาฟังธรรมซึ่งช่วยทำให้จิตใ จ, จเจริญ ง, งอกงาม ถือว่าเป็นภาวนาอย่างหนึ่งบุญในพุทธศาสนาก็มีสามอย่างนะทานศีลภาวนาอย่างเช้านี้นี่โยมก็ได้มาทำสามอย่างนี้ครบเลยก็ถือว่าได้ประพฤติชอบความประพฤติชอบก็ทำให้เช้า ว, วันนีนะ้ก็เป็นเรื่องดีเป็นมงคลดีเป็นขณะ ด, ดีแล้วก็สว่างดีไปด้วยในตัว ซึ่งก็เหมาะนะสําหรับการที่ญาติโยมหรือฉพาะท่านเจ้าภาพได้ถือเอาวันนี้เป็นวันทําบุญบ้านทําบุญร้านเพื่อเชียรได้เริ่มต้นกิจการถือว่าเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการในทางรทำก็ได้เปิดทางโลกก็อาจจะทําไปแล้วแต่ว่าในทางทำก็อาจจะถือเอาว่าวัาวนนี้นะเป็นเลิกนะสําหรับการที่จะได้อ่า เริ่มต้นกิจการไม่ว่าร้านก็ดีไม่ว่าบ้านก็ดีก็ย่อมอเป็นที่เราหวังว่าจะให้ความสุขความอบอุ่นความมั่นคงความเจริญและความสําเร็จในทางพรศาสนาเนี่ยนะ <c oughs> เมื่อจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างเลยเพราะเริ่มต้นทําสิ่งที่ดีๆ <c oughs> ก็จะมีประเพณีในการทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคล คนจะแต่งงานถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ทำบุญก่อนเปิดบ้านก็ทำบุญก่อนวันเกิดก็ทำบุญวันปีใหม่อาทิตย์พออาทิตย์ขึ้นปุ๊บนก็เริ่มลนะส่บาตรกันเลยเพราะเราเชื่อว่าจะทำให้เกิดสิริมงคลที่อำนวยผลให้ชีวิตหลังจากนั้นความเป็นอยู่หลังจากนั้นเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัยไรอันตรายปราศจากอุปสรรคและการที่นิมนต์พระมานอกจากพระท่านมาเป็นโอกาสให้โยมได้ทำบุญแล้วท่านก็สาธยายพระพริศอย่างที่ได้สวดกันเมื่อสักครู่เราก็เชื่อว่าการสาธยายพรพริษนี้ทำให้เป็นสิริมงคลซึ่งส่งผลให้ อยู่บ้านยังมีความสุขทมกิจการเกิดความจเจริญก้าวหน้าแต่ว่าสิริมงคลจากการทำบุญในวันนี้นะจะให้ผลนะเพียงแค่เบื้องตน้นเป็นผลดีในเรื่องในในขณะที่เป็นจุดเริ่มตน้นแต่ถ้าเราต้องการความจเจริญมั่นคงความสำเร็จความสุขสวัสดีอย่างต่อเนื่อง เราต้องทำความดีเรื่อยๆไปแต่ทำความดีเรื่อยๆไปนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องนิมนต์พระมาตลอดโยมนิมนต์พระมาครั้งเดียวก็พอแล้วหลังจากนั้นโยมก็ทำความดีด้วยการรักษาศีลหากว่าโยมทำความดีด้วยการรักษาศีลไม่ต้องศีลแปก็ได้เอาศีลห้าแล้วก็อยู่กันด้วยความรักความเมตตา ตามหลักที่พระุทธเจ้าได้มอบเอาไว้นะเขาเรียกว่าวรวัฏสัตธรรมได้แก่หนึ่งสัจจะสัจจะ ค, ความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงต่อต่อกันและกันระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่กับลูกซื่อตรงรองเพื่อนกับเพื่อนซื่อตรงกับเพื่อนโรงงานก็ต่อมาคือรูกก้จักขมใจขมใจในที่หล่สึกใจด้วยเขรียธรรมะธรรมะแปว่าธระมะที่ถวายทหารนะ ไม่ใช่ทอทองแปลว่าการข่มใจฝึกใจนะไม่ให้กิเลสครอบงำแล้วมีจาระคนะจารค่ะคือความแบ่งปันแบ่งปันเพื่อเพื่อเพือกล ก, กันในครอบครัวระหว่างคู่ครองระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือแม้กระทั่งต่อคนที่อยู่รอบข้างเช่นมีเงินแล้วก็ เรมีกำไรแล้วก็แบ่งปันเพื่อเป็นสาธนประโยชน์นะหรือมาทําบุญอันนี้ก็เรียกจาระเรารู้จักคำว่าบริจาคบริจาคมันก็มาจากคํานี้แหละจาระขันติอดทนอดทนต่ออุปสรรคนะอดทนต่อความยากลำบากเจออุปสรรคก็ไม่ท้อโือเฉพาะเราทําธุรกิจทําการค้ามันก็ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาอุปสรรคที่เกิดจาก เศรษฐกิจเกิดจากคือโรงงานเกิดจากราชการรวมทั้งการกระทบกระทั่งกันภายในบ้านระหว่างผู้ครองอ น, นี่ธรรมดามันเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีขันติคนรวมนักปิดกั้นก็อารมณ์ของตัวอารมณ์โกรธอารมณ์มนหมนเกิดขึ้นก็ไม่ได้ปล่อยให้ระเบิดออกไปถ้าหากว่าโยม ทำสีประการนี้ได้เนี่ยที่ทพระจารยกค า, า, า, ารวะศรัมธคือทาส่อผู้ความเืียนก็เท่ากับว่าทําให้บ้านนี้ร้านนี้นะมีสริมงคลยั่งยืนงดงามขึ้นมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เนี่ยจะต้องเริ่มต้น้วยการลงดินในตำแหน่งที่เหมานะเป็นดินที่ดี ลดเสร็จนะก็ต้องลดน้ําใส่ปุ๋ยแต่ถ้าทําครั้งเดียวเนี่ยต้นม้มันจะโตไหมมันไม่โตอ่ะโยมต้องลดน้ํำบ่อยๆลดน้ํำบ่อยๆบางทีก็ต้องหาอะไรมากันแดด ก, กันลมบ้างถ้ายมรดน้ํำบ่อยๆลดน้ำบ่อยๆต้นไม้ก็จะเลิญเกิดโตแต่กิ่งก้านสาขาให้ความสงมบร่มเย็นเพราะว่ามีร่มเงาแล้วก็อาจจะบังลม บางแดดได้เจอพายุมาลมก็สูกต้นไม้บางสกัดกั้นเอาไว้บางทีต้นไม้ก็ให้ผลไม้เอาไปขายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีการลบน้ำบ่อยๆแล้วก็โดยเริ่มต้นด้วยการลงเอาไม้มาลงดินอย่างถูกต้องแต่ว่าทำแค่นี้ไม่พอต้องลดน้ำไปเรื่อย สรีมงคลก็เหมือนกันนะเราต้องการสรีมงคลสำหรชีวิตเราต้องการสรื่อมงคลให้ปกให้คุ้มครองบ้านคุ้มครองร้านการนิมนต์ผ้ามาทําบุญหรือการที่เรามาทําบุญร่วมกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกับว่าเราลงดินเอาขึ้นมาลงดินแต่ว่าก็ทําความดีก็อย่ายุติเพียงเท่านี้่อยทําความดีต่อไปนะให้บ้านนี้นะเป็นบ้านที่ <c oughs> เปลี่ยนไปด้วยศีลนะใช้บ้านนี้ในการทำความดีไม่ใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> ทงั้งทางโลกทางธรรมมีความประพฤติชอบประพฤติดีต่อกันสิ <c oughs> มองคลก็จะเจริญรุ่งเ ร, องรืองก็จะเจริญงอก ง, งามแล้วก็ปกดฝังรักษาโยมให้มีความสุขได้ใครอยู่บ้าน ก็อบอุ่นเย็นใจใครมาทำงานลูกค้ามาติดต่อร้านนะก็จะแต่ะละบความอิ่มเอิบเพราะว่าเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าภาพนะมีความเมตตาจิตใจของใสมีเมตตากรุณาใครที่มาติดต่อ ง, งานก็สัมผัสกับความความดีตรงนี้นะ ก็ทําให้อยากจะทําธุรกิจด้วยหรือว่าอยากจะมาซื้อของอันนี้ก็ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้กิจการร้านค้าธุรกิจเจริญรุ่งเรืองได้แล้วความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นได้เพราะสีิมงคลในความหมายนี้สี่มงคลที่เกิดจากการที่ทําความดีมงคลในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ใครมาทําให้นะเมื่อกี้พระก็ได้สวดนะมงคล38 มงคลกระสูดซึ่งแปลสาิบแประการก็ล้นวนแต่เป็นการรล้วจะเป็นความดีที่ต้องทําด้วยตัวเองเรื่องต่างต่การไม่ครอบค น, คนผ่นผานอสวานาจตผานลานางการครบัณฑิต ก, การบูชาบุคคลที่ควรบูชาวพวกนี้เป็นความดีที่ทําได้ง่ายๆเมื่อทําแล้วมงคลเกิดทันทีมงคลไม่ใช่เป็นสิ่งมงคลไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครมาทําให้แม้เราไปมีเงินไปซื้อวัตถุมงคลมา มงคลจากวัตถุนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นสิริมงคลที่แท้หรือถึงแม้มีผลก็มีผลแค่ชั่วคราวจุดเริ่มต้นมงคลที่แท้ต้องเกิดจากการที่เราทำความดีด้วยตัวเองทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะแล้วความเจริญก็จะเกิดแล้วสุดท้ายเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าบ้านนะที่เป็นอาคารที่ให้ความอบ อ, อุ่น ร่มเย็นเท่านั้นนะต่อไปทำความดีบ่อยเนี่ยเราจะได้บ้านที่แท้ที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดบ้านที่ใจบ้านที่เป็นอิกที่เป็นปูนนี่มันอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ตามตามติดเราไปไม่ได้เราไปกรุงเทพมันก็ตามเราไปไม่ได้เราไปติดต่อลูกค้ามันก็ตามเราไปไม่ได้แต่บ้านที่อยู่ในใจ มันอยู่กับเราจะไปตลอดให้ความอบ อ, อุ่นให้ความมั่นคงให้ความปลอดภัยมีอะไรมากระทบก็ไม่กระเทือนถึงใจใจิตใจก็สงบเย็นเพราะมีธรรมะเพราะมีศีลเพราะมีทำเป็นเครื่องรักษาอันนี้แหละเป็นมงคลที่แท้เป็นสริริอันประเสริฐนะที่อยากจะให้โยมได้ตระหนักเอาไว้นะบ้านอย่างนี้นะเป็นบ้านที่ให้ความ ปลอดภัยอบอุ่นมั่นคงแก่เราอย่างแท้จริงนะเพราะว่าจะตามเราไปตลอดที่แช่ไหมอยู่คนเดียวก็ไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความตลายโดยเฉพาะบ้านที่เกิดจากศรัทธาในพ ร, ระรัตนตรัยถ้าเกิดจากศรัทธาในพระรัตนพตรัยเอาพระคุกพระมประ ส, สรรงค์เป็นที่พึ่งในศาสนะแล้วเพียงแค่เราลึกนึกถึงนี่ก็จิตใจก็เกิดสืบเกิดเวรปุจฉขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้พระสวด น, นะนะกูดถึงพระคุณของพระริจเจ้า ซึ่งเตี่ยไปด้วยเมตตาเสร็จแล้วก็บอกว่านะถ้าหากว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระพุทธคุณเพียงแค่เรามีความจริงใจในคํากล่าวหรือที่เราที่แปลว่าด้วยการกล่าวคําสัตย์นั้นบอกให้เรามีแต่ความสุขปลอดภัยกับความปลอดภัยจากความทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นสัจจคิสสถานเพียงแค่เอ่ยคําที่เป็นสัจาะขึ้นมาก็มีผลในการคุ้มครองให้ปลอดภัยได้ สัจจะว่าอะไรสัจจะหรือความจริงที่ว่าเราอยู่ศรัทธาในพระตนาไตรเราเชื่อในคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าซึ่งเติมด้วยพระเกลียนาคุณและพระัญญาคุณก็ฝากเอาไว้นะให้โยมได้สร้างสิริมงคลสร้างสิริมงคลให้สืบเนื่องต่อไปนะวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกับเราเอาพืชต้นไม้มาลงดินแล้วใส่ปุ๋ยฟนดินแล้วนะต้นไม้ก็ มีนาน้อมที่จะเจริญงอก ง, งามไปได้หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของโยมที่ต้องลดน้ำคลนดินลดน้ําให้ต้นไม้เจริญงอก ง, งามต่อเติมสื่อมองคลให้เข้มแข็งนะให้ยั่งยืนต่อไปก็ท้ายที่สุดนี้นะก็ขออาราธนาคุณพระศิริธรรมไตรยัยจงอํานวยเอ่ยผลให้ท่านเจ้าภาพและญาติโยามทุกคนได้เจริญด้วยอายุวรร น, นาสุขา พ, พะละปล่อยกุศลที่ทํา บุญที่ได้บำเพ็ญทั้งแนดียุดจฏิบาาันิละนาคเพื่อํานวยให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญดยู่เย็นเป็นสุขปลอดพ้นจากความทุกข์ให้ได้มีความเพียรในการปฏิบัติในการศึกษาและปฏิบัติธรรมทั้งด้วยทานด้วยศีลและภาวนาจนบังเกิดปัญญาเห็นแจ้งใสัจธรรมพาตออนจากความทุกข์ก้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยการทุกคนเถอสาธุโมหะาธุ